พระเราก็เดินทางมาจากถ้าแสงเทียนมาเข้าค่ายร่วมกันพรุ่งนี้ก็พระอจารยงศิลก็คงจะเดินทางไปที่นู่นเลยพระอคงจะเดินทางไปก่อนแต่เช้าตั้งแต่พระอาจารเช้าเสร็จไม่ออกบินทบาตหกโมงเชา้าเจ็ดโมงก็ออกม น, นี้เพื่อไปเตรียมค่ายให้พระไปก่อนสามสี่องค์ก็คงเตรียมอะไรไม่มาก ส่วนหนึ่งก็วัดที่เราไปวัดเฮียโคดซึ่งวัดหลวงปู่ล่าตาทิพมื่อก่อนสมัยเป็นเกจิอาจารย์ก็มรณะไปมาสักส0ยี่สิสปีแนละ้วก็เป็นสำนักใหญ่แต่ว่าเมื่อท่านมารณะไปแล้วก็มีศิริห้าอยู่ต่อก็บารมีไม่ถึงก็ที่ก็รกร้างไปทีนี้ชาวบ้านก็มาช่วยฟื้นฟนะูปรับปรุง อะไรให้ใช้ได้บางส่วนก็มีญาติโยมที่ไปเข้าร่วมด้วยประมาณ30สิบกว่าคนเพราะว่าปีนี้ที่หลวงพ่อไปอบรมเขา้าที่ครุสติแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นรุ่น่สองปีฝ่ามือนี่ก็ได้เกือบ20กว่ารุ่นแต่ละรุ่นก็จะมีอาสาสมัครเข้ามาทำงานเพื่อช่วยหลวงพ่อสกสี่คนห้าคนก็เลยร่วมเอารวมเอา นักปฏิบัติเหล่านี้เข้ามาเป็นฝึกฝนเป็นวิยากรช่วยเวลาหลวงพ่อไปที่ไหนทีมงานนันนี้ก็จะไปช่วยกันบางงานพระเราก็ไปไม่ไม่พอเพราะพระเราญาติโ ย, ยมจะฝึกง่ายกว่ากว่าพระเพราะโยมไม่มีไม่มีทิ่ฐิมานะไม่มีลาบสาการะไม่มีเสียงไร้เสือนไม่มีคนกลับไหวเหมือนพร ะ, ะพระพอคนกลับเยอะๆทิฏฐิมนน่ามันขึ้น ก็ปฏิบัติธรรมเลยไปดูฝึกศักด์นี่นี้ปฏิบัติองค์พ่อเทียนนี่จะแบบประเภทอ่อนน้อมถอมตนเชื่อฟังครูบาอาจารย์บอกให้ทำอะไรก็ทำมันก็เลยไวแต่ว่าบางทีเราก็พัฒนายากอยู่สำหรับบางคนนะญาติอ ย, อยมบางคนก็ยากบางคนก็ง่าย แต่ว่าคนญาติยมเขาสแสวงหามาเยอะเขาทำเนาะมาเท่านั้นปีทําพุโทโธมาที่นี่ปีพอมาหาเรานี่มาต่อยอดเอาเลยมันก็เลยไวนะหมายความว่าเขาทําสมถะมาเยอะและ้วคนละห้าปีสิบปีแต่พระเราบางทีเพิ่งบวชเข้ามาอย่างนี้ก็เลยช้ายากหน่อยต้องเตรียมตัวอีกหลายปีกว่าจะเข้าใจแต่ก็ทําไปเรื่อยๆพระเราถึงแม้จะมีเวลาเยอะนะแต่ว่าพระเราก็ไม่ค่อยมีเวลา ในปฏิบัติงานวัดต่างๆก็เยอะนนั่นก็เลยญาติโยมเข้าไปได้ไวตรงที่เขาแสวงหาอยู่แล้วบางคนทํามาแต่ว่ามันยังไม่ถูกจริญเขาพอมาปฏิบัติทางเราปั๊บมันถูกจริญก็ไปได้ไวคนทําหน้อมาเก้าครั้งสิบครั้งแล้วพอมาต่อทางเราครั้งเดียวเนี่ไปได้เลยอันนี้ก็คือได้ญาติโยมทีมนี้เข้ามาทํางานร่วมงานเริ่ไปไว ะก็เลยว่าเที่ยวนี้อย่ามาโยมก็เลยมาฝึกมาเป็น <c oughs> ที่จะช่วยและที่ที่อเมริกาก็มีทีมหนึ่งทีมของเชี่ยโกในเวลาหลวงพ่อไปเปิดลงที่อเมริกาที่ไหนเขาก็ตามไปช่วยช่วยปฏิบัติช่วยเป็นพี่เลี้ยงต่างเพราะในวิธีการโคเทียนนี่มันปฏิบัติแล้วมันมันช่วยเผยแพล ไ, ได้เลยอะ่ะ เพราะว่าต่างคนก็ต่างเรียนตัวเองนะเราไม่ได้เรียนปริยัตแข่งกันนะแต่เราเรียนตัวเองแข่งกันหมายความว่าเรามีทุกข์เหมือนกันทุกคนนะทุกจากความรักความชังทุกจากความเบื่อความหน่ายทุกจากความยากความจนทุกจากความคิดทุกจากความโลภความขุ่นความหลงเนี่ยมันก็เลยทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้พอมาปฏิบัติก็เอาปฏิบัติเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้ออกไป ทอยสิ่งเหล่า น, นี้ออกไปพ่อเขาก็ามีความสุขมีความสงบสุขเขาเลยอยากเข้ามาเอาประสบการณ์ที่เขาทําได้สําเร็จนี่เนี่ยมาช่วยเหลือคนอื่นก็รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเข้ามาช่วยงานหลวงพ่อก็เลยเร็วนะพเน่เดินเดืนหนึ่งก็ไปปฏิบัติตรงนูง้นตรงนี้ก็มีญาติโยมกลุ่มเนี้ยตามไปช่วยทีมละห้าคนสิบคนก็เลยทําให้ นะยมงคุณี้อยากปฏิบัติเข้าค่ายแบบพระเหมือนกันสักเดือนหนึ่งมนะีก็ทีมกรุงเทพทีมที่เชียงใหม่ทีมแม่สอดนะที่มาเที่ยวนี้มาจากทางใต้ก็มีเพราะนั้นเองก็ญาติโยมที่ทางวัดเราก็ต้องขวนยศึกษาปฏิบัติแบบเดียวกันนี้ก็ อ, อยากจะให้ญาติโยมทางบ้านเราเนี่ไปปฏิบัติ ตามพี่งานต่างๆเพื่ออะไรเพื่อจะไปร่วมกับทีมบริกทีมการเหล่านี้เพื่อจะได้นํางานร่วมกับเขาเวลาเขามาจัดงานอะไรที่วัดเราเขาจะมีเพื่อนมีฝูงดึงเข้ามาช่วยงานวัดเร า, าแล้วเมื่อนั้เราไปหาเพื่อนอนั่นแหละที่เราอยู่แต่บ้านเราก็ไม่ได้เจอกับกลุ่มปฏิบัติต่างๆใครไปใครมาเราก็ไม่รู้จักนะอย่างนั้นเราอยากจะให้ไปก็พออย่างนี้แเลยเพื่อให้ไปรู้จักกลุ่มต่างๆที่เขามาช่วยงาน อืเพราะว่าเวลาหลวงพ่อไม่อยู่เขาเคยแวะเวียนมาเขารู้จักคนที่นี่เขามีคนรู้จักที่นี่เขาก็อยากมาปฏิบัติก็มาแล้วไม่รู้จักใครเลยเพราะว่าไม่เคยปฏิบัติร่วมกันในขัานต่างเขาก็ไม่อยากมาดังนั้นก็จึงอยากจะให้ญาติยมของเรานไปร่วมพพอเพราะเหตุนี้เนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อไม่อยู่อย่างนี้ตลอดไปก็ญาติธรรมที่เคยไปเยือนพ่อเขาจะมาปฏิบัติช่วยได้เพราะเรามีเป็นสื่อเป็นการันตรกันนะ <c oughs> <c oughs> นั่นไปเที่ยวนี้ก็ทางสเสบียงอาหารทางฝ่ายโยมพิคุณเขาก็หาญาติโยมทางอื่นมาช่วยแล้วก็มีผู้บริจาคร่วมเข้ามาในเรื่องเข้าประหารก็หลายหมื่นบาทอยู่เรามาช่วยกันหมายความว่าการจัดสเสบียงอาหารก็อยู่ที่อาศรมพกุลห่างก็ประมาณสักสามสี่กิโลสำหรับพระเราเจ้าคนเก่าจริงๆที่เขาอ่า สามารถอยู่กับป่ากับเขาได้กับพระก็ mm. กเขาจะมาอยู่ทางพระทั้งโยมผู้หญิงกยมผู้ชา ย, ยผู้หญิงก็คนเก่าแก่คนไหนที่ใหม่อยู่ยังไม่เข้มแข็งก็ให้อยู่ที่อาศรมพระภิกุเพิ굴ที่นั่นจะสะดวกสบายมีที่เดินที่นั่งที่นอนที่อะไรเรียบร้อยแล้วละ่ะนะแต่ปฏิบัติได้เลยแต่ที่ของพระนี่ก็ยังตามเสนาชนะเป็นป่าเป็นเขา อย่างหน้านี้ก็เป็นหน้าแรงก็ไม่รู้ป่ากเขาก็จะเสลือเท่าไหร่นะแล้วก็เราไปดูกันก็มีห้วยน้ำที่ไหลตลอดทั้งปีพอที่ได้อาศัยนะเพราะนั้นก็เลยว่าไปอยู่สักเดือนหนึ่งสำหรับปราของเราที่น่าโยมที่ไปบางแห่งเขาก็ได้สิบวันได้ประมาณเดือนหนึ่งได้ประมาณสักสิบกว่าคนที่ได้สิบวันนี่ก็สิบ โกขนได้ยี่สิบวันนี่อีกสิบโกคนทั้งหมดแล้วไปสามสิบฝาเดีอยู่คนละสิบวันสิคนได้สิบวันก็มีคนละยี่สิบวันก็มีคนได้สามสิบวันก็มีที่ไปก็เดินทางกันวันนี้พรุ่งนี้ก็เกือบครบละนะก็หลวงพ่อไม่ได้จัดค่ายหลายปีแล้วตั้งแต่ทําทําหถ้ำม่เนะาะจะไปจัดรวมที่อื่นก็ไปแต่ว่าถ้าอาจารย์ปงก็จัดบ้างที่วัด แล้วก็ที่จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆนี่ไม่ค่อยได้มีเวลาทํากันเพราะครูบาอาจารย์ก็งานเยอะขึ้นอาจารย์พงศ์ก็คนเข้าปฏิบัติเยอะขึ้นอาจารย์ดรงศิลปก็มีงานเยอะขึ้นงานหลายอย่างงานการศึกษางานก่อสร้างงานอบรมพระเราที่มีอายุพันษา ม, มากขึ้นก็อาย์โยมก็ต้องการพึ่งพาเวลาไม่พอยิ่งหลวงพ่อก็ยิ่ง มาเที่ยวนี้มีเวลาอยู่วัดแค่ครั้งแล้วสามวันสี่วันเดือนเมษามาอยู่วัดอีห้าวันก็ไปภูเก็ตกลับมาจากภูเก็ตแล้วก็ไปกลับมาที่วัดสงกรานที่วัดสักสีห้าวันก็ไปงานถ้าที่จันญพงศเจ็ดวันต่อนั้นก็ไปงานทำอาชาปนกิจงานของพ่อจันทะปลายเดือนเมษาห้าวันจากนั้นก็ไปต่อที่ครุสติห้าวันพอเสร็จครุสติวันที่ห้ากลับอเมริกา จนสิ้นเดือนพฤษภาที่อเมริกาพอขึ้นเดือนมิถุนาก็ข้ามไปยุโรป ก, กลับมาอีกทก็นุ่นเดือนกรกฎาแค่ไม่มีเวลาอยู่ว่ะเพราะฉะนั้นก็เลยว่าในช่วงมีเวลาในช่วงนี้เดือนนึงเราก็ไม่รับกินิยมนั่งอื่นเราขออยู่กับพระเราที่ฝึกมาฝึกเข้าค่ายนี้สักเดือนหนึ่งก็มีเวลาเอาไปฝึกพระและ้วก็ญาติโยมที่เคยเข้าค่ายปฏิบัติมานานๆ <c oughs> ก็ไปฝึกร่วมกัน นั่นเองก็เราจะเห็นว่างานในวิธีการวัฒเทียนเยอะมากขึ้นเรื่อยๆคุณต้องการเดี๋ยวนี้ทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ยพูดถึงเรื่องไม f ค n เน็ตเนี่ยเป็นวัลลแห่งชาติเลยนะเขาไปฝึกตามสถานศึกษาทางามหาวิทยาลัยต่างๆคุณเล็กกับคุณมนที่ชาอยู่ที่ชิคาโกเนี่ยเขาถึงกับเชิญเข้าไปสอนในมหาวิทยาลัยเลยนะเพราะว่า เขามาปฏิบัติกตารธรรมแล้วแต่เขาทำงานอยู่ในมหาลัยอยู่แล้วแต่ว่าเขาทําทงานได้ดีแล้วก็มีคนอยากเรียนกแก่ๆเขก็เลยเปลี่ยนนะเห็นว่าพรรษานี่จะมาจำที่นี่ว่าจะได้เข้าฝึกปฏิบัติสักสามเดือนเพื่อจะไปสอนเขาเนี่เขาพัฒนาก้าวหน้าไปเร็วพวกที่เขาเอาริงไอจังในวิธีการนี้ พลพอคนที่เขาเรียนในมหาลัยในยต่างมันเครียดนะเครียดแล้วไม่มีทางออกเมื่อเขาเห็นคนที่ไม่เครียดเขาก็อยากจะไม่เครียดบ้างจะทำยังไงเขาบอกมาเจริญสติเขาก็อยากเจริญสตินะนั้นก็ในตอนหลังมานี่เราก็มีการพัฒนาหลักสูตรซึ่งเมื่อก่อนเราก็ทำนั่งทำกันแต่ว่าพอตอนหลังมามาก็พัฒนาว่าเอ๊ะทไมทากันทุกงานทาไมคนจึงง่วงก็มาหาวิธีการแก้ง่วงอานะ ทำไมทำไปแล้วคนถึงมีความไม่สบายในช่วงคอสปวดนั่นปวดนี่เมื่อนั้นนี่ทำไม่ค่อยตลอดก็เลยมาพัฒนาว่าง่วงเพราสะสาเหตุกินเยอะมาพัฒนาเป็นกินน้อยลงกินมังสวิรัตนะพัฒนาการออกกำลังกายทำลมปรางเอาก็ดีขึ้นคนไม่ค่อยเจ็บค่อยปวดคนเมื่อยค่อยเมื่อยในขณะที่ปฏิบัติเขาเข้มแข็งนะ คือก็มาพัฒนาหลักสูตรเรื่อยๆแล้วตลอดถึงว่าการอบรมก็ไม่ใช่ว่านั่งพูดกันแล้วก็ฟังเทศแล้ไปทําไม่ใช่ให้ปฏิบัติก่อนแล้วก็มาใครมีปัญหาอะไรก็มาคุยกันนะไม่ใช่นั่งปฏิบัติอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพระที่เข้าค่ายรุ่นนี้ก็คือไปต้องการพัฒนาหลักสูตรใหม่หลักสูตรที่ว่าปฏิบัติแล้วต้องได้ผลชัดเจนนะคุณไหนปฏิบัติแล้วยังเหมือนเดิมก็แสดงว่าไม่ตั้งใจที่จะทําก็ ให้เปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ว่าทำกันสามปีสี่แรกงยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังขี้เกียจเหมือนเดิมยังเห็นแก่ตัวเหมือนเดิมยังพูดมากเหมือนเดิมยังกินมากเหมือนเดิมนี่แสดงไม่พัฒนาก็ให้ออกไปก่อนเอาคนที่ตั้งใจทำเนี่ยเข้ามาแล้วปีนี้เราได้เน้นที่ตั้งใจอยู่สามรูปนะเน่นนอตนี่ทำงานได้แล้วยมชอบฟังเน้นนอตเทศแล้วตอนนี้ พูดแล้วโยมฟังแล้วก็สำเนนเน่งเนี่ยตั้งใจปฏิบัติแล้วก็อีกนินแก้วเนินแก้วไปเยี่ยมบ้านไม่รู้ว่าใครนี้จะกลับมาทันหรือเปล่าแล้วก็บวชให้บวชพระให้ตางที่เขาเป็นคนต่างชาติจะบวชไม่ได้เอามาก็ทําเรื่องดําเนินเรื่องให้บวชได้เอามาบวช ท, ที่เด่นชัยแล้วให้กลับไปต่อวีซ่าได้อีกสิบปีมีกลับมาว่าจะมาเข้าค่ายด้วยแต่ไม่รู้จะมาทันหรือเปล่า จะได้เนินสามเนินเขาตั้งใจปฏิบัติกันหนึ่งแก้วนะพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราจะมาทํำเล่นๆหนัวหัวไปวันๆไม่ได้แล้วนะเพราะคนชาวบ้านเขาเอาจริงเอาจังถ้าพระเราไม่ทําจริงทําจังสอนเขาไม่ได้เขาก็ดูถูกเอาเอ๊ะปฏิบัติมาบทมาทําไมอเวรวัดตั้งเวลาตั้งเยอะไม่เห็นทำโยมทํามาให้กินลําบากใจยยังปฏิบัติได้ถ้าอยู่วะเฉยๆทาไม่ได้เพราะอะไรเขาก็จะถามแล้วทีนี้ เราเดี๋ยวนี้วัดพระยิ่งมีปัญหาเยอะเขาก็เริ่มจะโละพระออกแล้วทีนี้ mm hmm. เพราะฉะั้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเข้มแข็งจริงๆก็อยู่ไม่ได้ทางเราเหมือนกันถ้าใครไม่ตั้งใจปฏิบัติขอวงพ่อก็ให้เปลี่ยนค่ายไปทําอย่างอื่นดูบ้างลองไปทําหนา อ, อยู่บ้างทำเคลื่อนไหวมานานแล้วไม่พัฒนาลองไปทําหนาะทาพุโทโธทําอนาปนสติดูบ้างเพราะเราไม่อยากจะทักท้วงนงเหนีวเราอยู่ก็เราไม่ก้าวหน้าเนี่ย ต้องเปลี่ยนไปคำที่ให้ให้ชีวิตผ่านไปแต่ละวันพรามันก้าวหน้าไปทางใดทางหนึ่งนะไม่ใช่มาแชร์มาจมอยู่ทั้งนั้นก็มีการพัฒนากันจริงจังยิงว่าปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงก็คือมากลับมาเที่ยวนี้มาก่อนเวลานิดหน่อยอาทิตย์หนึ่งแทนที่จะเดินทางกลับมาประมาณวันที่ห้ากุมภาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวันที่เก้ามกาเพราะว่ามี คอสฉุกเฉินที่สวนพันดาวกลุ่มชาวแคนาดาร่วมกับกลุ่มชาวภูฐานแล้วก็เอ o ของประเทศไทยเขาร่วมกันจัดคอสลงชุมชนชุมชนที่ว่าเอาคุณค่าของความสุขมาแทนคุณค่าด้านเศรษฐกิจ ที่เราเรียกว่า GDP ประจำแต่ละชาติเนี่ย GDP Cross uh, Development Product อะไรเนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดความสุขของความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจประชาชาติแต่ที่ภูฐานเขาไม่เอาตัวนี้เป็นตัวชี้วัดไม่เอาตัวไม่เอาตัวเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดความเจริญของประเทศชาติเข้าความสุขของประชาชนเป็นตัวชี้วัด เขาเลิเปลี่ยน GDP มาเป็น GNH นะว่าความสุขมวลรวมประชาชนนะก็มาทาลงที่มาเวิร์กช็อปที่เชียงใหม่แล้วล ง, ลงทำที่หมู่บ้านอาเภอแม่ทาที่จังหวัดลาพูนเป็นหมู่บ้านแรกแต่ก่อนที่ลงมือทำเขาอยากจะทำกรรมฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ของเขาก่อนเพราะว่าไปให้ความสุขกับเขาเนี่ยเอาความสุขประเภทไหน ความสุขแท้หรือความสุขเทียมความสุขเทียมก็เป็นเรื่องของวัตถุนิยมอยู่ดีเขาก็อยากจะให้ความสุขแท้คือความสุขใจความสุขใจก็ต้องทํากรรมฐานนี่ก็เลยเขาก็บอกกลุ่มเอ็นอที่นําโดยคุณสุขคิดที่เมืองไทยเนี่ยหาวิธีกรรมาฐานสักวิธีหนึ่งที่จะทําให้ใจเป็นสุขอย่างแท้จริงเนี่ยที่คุณสุขคิดเป็นเขาลูกศิษย์เคลื่อนไหวอยู่แล้วก็เลยตามหาธรรมะทีนี้ธรรมะก็เลยจําเป็นต้องกลับมา มาจัดอยู่ห้าวันอยู่ที่เชียงใหม่เสร็จแล้วเขาก็ดีคุณแซนดี้เนี่ยมาจากฮ่องกงมาร่วมวันนี้ด้วยว่าเขาจะเอาโครงการนี้ลงเอเชียลงออกเชียงใต้ก่อนคุณแซนดี้มาปฏิบัติงานนี้เด้อก็เลยอยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นไปก็ติดตามไปสองํางานกันมาเนี่ยเขาจะกลับประเทศเขาวันพุ่งนี้มรลืนนี้ก็เลยตามมาดูที่วัดเผื่อเขาจะได้มาปฏิบัติด้วยนะ นี่จะเห็นว่ากรรมฐานวิธีการหวงโ่เทียนนี้เหมือนไปอินเตอร์ทั่วโลกนนแต่ว่าเราหาพระที่จะพูดภาษาเขารู้เรื่องเนี่ยมันน้อยในวิธีการของเราเพราะพระเราในสายงานของเราเราไม่อยากจะเรียนรู้อะไรมากเพราะว่ามันเป็นทุกข์อะแต่บางเอิญมาเรียนรู้มานานมาเยอะก็เลยทำให้ทาให้เขาต้องการที่มาช่วยด้านนี้ก็เรียกว่าเที่ยวนี้ก็มีทั้งชาว อุท่านไทยทั้งแคนาดาห้องกงรวมกันได้ประมาณสามสิบจะดทีทีดไปห้าวัน <c oughs> ก็ถือว่าเป็นงานหนักนะ <c oughs> นั้นตั้งแต่กลับมานี้เข้าไปแล้วสี่งานอันนีอ4ส่งานก็มาก็เล ย, เอยขอช่วยพระบางขอเวลาสักเดือนหนึ่งเดือนมีนาเนี่ย ก็เลยคราวที่แล้วตอนที่ไปจัดอยู่ที่เชียงรายที่เชียงแสงนเคยมาแวะดู <c oughs> ที่อาสมาป้าพิกุลที่แกก็มาดูที่วัดห้วยโขดใกล้ๆเนี่ยแกพูดให้ฟังมานานแล้วก็อยากไปดูออกพราะปรากฏมันมถูกฉลกนะ <c oughs> มีน้ามีปา่ามีภูเขามีความสงัดวิเวกดี <c oughs> เราก็จะแยกย้ายไปตามปฏิบัติได้กว้างขวา ง, วางมีน้ามีท่า มีสถานที่พอดีพอสมควรแล้วก็มีสเสบียงอาหารที่ไม่เดือดร้อนไม่ต้องมีแม่ครัวอยู่ในนั้นถึงเวลาโยมก็อารถอาหารมาส่งไปตักเสร็จแล้วเขากลับไปนี่ก็ตักเสบาดแล้วก็ไปแต่เที่ยวนี้คงไม่ได้ใส่บาตรไปนั่งชั้นใครชั้นมันคงจะมานั่งชั้นลมกัน ก็จได้จำกัดอาหารคนละนิดด้วยอาจาเสบานรวมก็บปทะนในป่านนี้บัดเบลื่มเป น, นอนทานอาหารแลนอ น, น, อนหลับทั่ววันไม่ไหวนะง่วงนะเห็นว่าฉันมื้อเดียวเต็มที่เลยเที่ยวนี้ก็คงจะต้องลดลงฉันน้อยกินน้อยนอนน้อยก็ได้ปฏิบัติมากในงานก็ไม่มชื่อว่าเข้าไข่เพราะฉะนั้นออกจากคข่เมื่อนี้แต่ละคนก็จะต้องได้สภาวะธรรมอย่างน้อยก็ลูบน้ำปรมัตดขึ้นไป ถ้าไปแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่ก็เสียวเวลาไปนะเที่ยวเราไปก็ไม่ให้ไปต้องสอบรมต้องผ่านถ้าใครไม่ตั้งใจก็เอานิมนต์กับวัดเนะี่ยเอาอ น, นั้นเลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทํากันจริงจังและต้องเอามีผลออกมาใช้ได้นะต่ดูแต่ละคนก็ตั้งใจนะะต้องมีกฎกติกาค่อนข้างเยอะ ก็เก็บหมดนะพกโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไม้ส้อยของกินเก็บไว้นะี่เก็บหมดอันนี้โยงเครหัส่เข้าไปที่ประพิกุลเข้าไปแล้วส่วนใหญ่ก็เก็บมือถือก่อนเลยนะเพราะเป็นชนวนที่ให้ทำมุ่นวาดังนั้นทางวัดเราก็เลยเที่ยวนี้จะให้เปลี่ยนให้ท่านหล อ, องตาสมรักแล้วก็ท่านอูไปเข้า ให้ท่านเอฟหลวงตาอุดมแล้วก็ท่านบอลอยู่วัดบ้าง น, นะนลวงตาอุดมก็ท่านรักดูก่อนว่าใครจะมาเพราท่านรักก็อยากจะศึกน้องชายท่านเอฟนะก็เลยบอกให้ไปปฏิบัติเอาบุญกุศลใส่ตัวให้พอก่อนค่อยศึกศึกเมื่อไรก็ได้นะถ้าศึกไปแล้วกุศลไม่พอไปทุกข์ลำบากอยากเขียนขึ้นมาก็ไม่พ้นหลวงพ่อไปช่วยเหลืออีกนะ แต่ถ้ามีกูศนพอแล้วมันจะได้มีทุกออกไปจะได้พัฒนาช่วยงานหวงพ่อได้นะเพราะฉะนั้นก็ก็พรุ่งนี้เราออกเช้าหน่อยประมาณสักเจ็ดโมงะนะไปถึงโน่นก็ยังแล้วก็สิบโมงเตรียมโน่นเตรียมนี่ก็สันเพลนแล้วก็เตรียมที่จะเข้าค่ายแล้วอาจารย์ดวงศิล์ก็เดินทางพรุ่งนี้ก็คงมาถึงมือลื่นนี้ก็ไปที่โน่นเลย แต่ก็ไม่ได้บอกว่าได้พาสักกีรูปนะไม่รู้ว่าอาจารย์ลรจะมาได้เห็นว่าจะบวชเน้นพาพระร้อนอย่านั้นเนะี้นินพระร้อนปีนี้ก็คงจะได้ลูกชายของโยมสมเกียรติอีกสองท่านนะได้ไหมโยมสมเกียรตินินกกนิวไหวไหมนอนกกนิว <c oughs> <c oughs> แล้วก็ลูกชายของคุณอ่าอะไรอ่ะคราวที่แล้วคุณเอใน สองคนนะ่ะจะมาบวชอีกคนไหนได้บวชนี่พระดูร้อนก็ปฏิบัติวิธีนี้เดือนหนึ่งก็จะได้ทุนการศึกษานะทุนการศึกษาสาเนิน่งไสามคนไปบวชก็ได้ทุนการศึกษาที่เบสสอดออนักเรียนมาจากพมาก่าสาเนิ่งสามคนได้ทุนการศึกษาไปทั้งสามคนเลยวันใ น, นนอก็ได้ด้วยนะในนอตเก็บทุนการศึกษาไว้ได้เลย ดันั้นก็ทุนการศึกษานิสกอลชิฟฟันเนี่ย you have the n o v i c e come to s o l i t u trees ah the m in s o l i t u r e the trees n o v i c e also we give them the scholarship refund d for scholarship for the monk for the n o v i c e yeah so we need to support the young uh, teen a g e เราจะเอาลุทีแล้วอ้อโซเดนักเกิร์เลชันวินบีเอ help us to develop the dynamic m e d i t a t i น n ะัะนั้นเราจาเป็นต้องช่วยเยาวชนด้วยนะช่วยเยาวชนด้วยเพราะว่าเยาวชนรุ่นต่อไปเขาทำงานได้ก็อยากจะให้ญาติโยมที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยส่งลูกหลานเข้ามาบวชเนนผ้าดูร้อน หรือถ้ามาไม่ได้ก็ให้ไปปฏิบัติปฏิบัติร่วมช่วงนี้ยายนันก็อาจจะให้ไปช่วยงานครัวกับประคุณแต่เห็นว่าไปเฝ้าลูกชายอยู่ไม่สายลูกชายแกแอซเิเส้นเลือดในสมองปลี่ได้ไงเนี่ยเดินไม่ได้ก็เลยไปเฝ้าเข้าทาครัวทำไรอยู่ที่นั่นนะพอเสร็จแล้วก็ เขาจะบวชว่างั้นนะเขาเดินได้ปกติเขาจะบวชญาณ์นันก็เลยตามไปดูแลไม่รู้เสียเดินได้เมื่อไหร่นะเขาใช้ชีวิตประมาทน้องชายก็เลยนะชอบสูบุรีมาก็เลยไม่อยากจะช่วยเหลนะือแล้วะสูบุรีบอกให้ไม่เลิกก็ไม่เลิกทันนั้นก็ในช่วงเข้าค่ายทางบ้านเรานี้วันไหนที่พอรวบรวมถักไม้ ปูปลา น, าน้ําได้ก็เอาไปส่งประคุณคุณสมทบก็ได้สิบวันยี่สิบวันไปกันมีผักมีอะไรที่ดีก็พรุ่งนี้พอจะมีผักมีอะไรก็ใส่ไปผักเย็นนั่นเก็บทันไหมไม่รู้ได้เก็บไว้หรอเปล่าสุขาคนัดานี่นแหละต้องถ้าเก็บได้ให้คำนันดาไปส่งก็ได้ให้กรนันดาใส่รถไปสงพวก พวกผักพวกขนุนพวกอะไรแทนที่จะปล่อยมันแก่ตายข้างล่างที่เราลดน้ำไว้ใช่ไหมก็เก็บๆก็บใส่ถุงก็ให้กำนัดาไปสูงทีกรนมรดานี่เก่งแล้วไม่ต้องข้อา่ายก็ได้ <c oughs> ไมีเดียวจะพัฒนาแล้วก็ทางอเมริกาเท่านี้ว่าจะเดินเรื่องให้คุณลกยุงกับคุจิไปช่วยยุงพ่อที่ทั้งยุโรปทั้งอเมริกาไม่รู้จะผ่านว่าอกลังเดินเรื่องอยู่ กำลันดาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไม่ให้ไปถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ก็คิดว่างานเราก็ไปกว้างขวางยิ่งขึ้นนะอยากจะได้หลานชายกำลันดามาปฏิบัติไม่รู้ไปสองพันโลปีหลวงพ่อเดอนชายพี่พระแม่ธรรมราไปตีมะกรียำทัวร์ฟางเขียวตู้น้ ไม่มาเข้าค่ายหลวงพ่อชักเดินไปก้าวหน้ากว่านี้อีกสามปีสี่ปีละไรไปนั่งเดินธุดงมันทรมานตัวเองแล้วไม่พัฒนากรรมภูมิฐานกรรมฐานไม่รู้จะไปเท่าไหร่ไ้นั่งแห่กันอยู่นั่นนู้นเยก็เลยว่าอยากจะให้มาปฏิบัติทำทางเนี้ยมันเร็วใายก็รับได้นะรับได้ก็ทําธุดงแห่กันไปแห่กันมาก็อยากจะให้อยู่กับที่ปฏิบัติอย่างจริงจังอนะ นั่นเรามาเดินตากแดดกันแต่ถ้าอยู่กับพี่ปฏิบัติจริงจังมันก้าวหน้าได้ไวกว่าเผือว่าเขาสนใจนี่หนุพ่อจะได้ไปพาไปเผยแพร่ในต่างประเทศได้ภาษาเขาก็ดีนั้นก็พวกเราอยู่เบื้องหลังนะพอมีอะไรก็เก็บรวมๆกันไว้ห้าวันสิบวันยี่สิบวันก็ไปส่งกันทีนี้ให้มาเร็วไปแค่นี้จากนี้ไปก็วันสองสามชั่วโมงนะก็รถสาหรับรถ คุณลายชันก็จะมีที่คนนั่งไปด้วยก็จะมีพระเราไอ้พระเราเต็มหมดหรือเปล่าท้ารถที่มารถตูกับรถเต็ตมครบหมดแล้วนะตตนเต็มพอดีเดี่ยวพอดีก็ท่านอู๋กับหลวตาลักษณ์ก็นั่งไปคุณลายเชนอ่แล้วก็อคุณชมเกียรตินะคุณสมเกียรติก็ สามคนนะแล้วก็เด็กเด็กอีกคนเด็กสองคนสําหรับโยมผู้หญิงหลวงพ่อนั่งเอารถพระู้ยนิดเอารถของมหาวันไปโยมนกยุงกับพระเสริมหลวงพ่อนั่งรถผู้ยนิทขับไปกับโยมแม่ของน้องนอนไปคันพระเราก็โยมผู้ชายกเด็กก็ไปคันหนึ่งของคุณราชันนะนะมีพระ เราส่องรูปเื่องพ่อกบไปคุณผู้ยนต์ไปเสริมคุณลูกยุงกับแม่แม่น้องนนท์นาะมันะจะพออยางนั่งคือหมายถึงว่ารถของคุณดายชันก็หลวงพ่อสมรักนั่งหน้าอันคุณสมเกียิให้เด็กนั่งตรงกลางไหวไหม น่าจะไหวอยู่เนาะถ้าไม่ไหวก็ใส่ยัดใส่กระโปรงไปคนนึ่งตัวเล็กๆใส่กระโปรงนอนไปเลยนะเดยคือหลังคารู้ว่ากันแทกอยู่รถตู้นิ้วว่างนะเพาเดินเรื่ๆสองคนพอแท่กไปกับนี่ได้ตู้รถกกบนะตู้แล้วก็รถพิกอั พ, พีอ๊คันหนึ่งเนาะ ข้างหลังไม่ตึงต่างนันแหละสามเอาข้างหลังนั่งได้เ ง, งินนะจริงอยากได้ได้รถลุงรันไปอีกคันหนึ่งเพราะลุงรันรากฏว่าไปบ้านเพราะป้าวันนาไปกรุงเทพลุงรันปเลยเฝ้าบ้านอยากได้รถลุงรันไปคันเดี๋ยวถามดูกอ่อนบางทีอาจจะแวะไปก็ได้จะให้ใส่ของไปถ้าของเยอะถ้ารถลุงรันไปได้ก็ขึ้นชั่วหน่อยหนึ่งเอาของไปใส่รถลุงรันไปเดี๋ยวโทรถามเดี๋เอาเัินนะเพราะนั้นท่านอูคุณสมเกียรต พอสมรักนั่งไปกับรถคุณราชันผมพุมม่งแมน้องนนท์ประเสริมเรากน็นุ่งยุงนั่งรถไปกับผู้ยินิดเนี่ยสำหรับเด็กสองคนเราก็ถ้ารถคุณราชันไม่เคยเคแรกไปกับรถถ้าพอไปรถพิล็อะไรกันก็แสกไปได้คุณนี้ค่อยจัดเดอนอีกที่นึ่ง ถ้ารถลุงหลันไปได้ก็ไม่มีปัญหาก็เด็กก็ไปนั่งรถลุลงหลันได้ครัเดี๋ยวา่าเราสอบถามดูของเรถ ล, ลุงหลันใส่ได้เยอะอยู่ก็ไปส่วนหนึ่งก็ไปช่ชวยครัวเขาก็จะดูว่าใครต้องการที่ช่วยครัวใครต้องการสําหรับญาติโยมนะใครต้องการสมรัครรางถ้วยก็ต้องการปฏิบัติอย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยก็ก็จะแบ่งหน้าที่กันทีที่หนึง่ง สำหรับอยู่ทางนี้เห็นว่าสเสบียงท่าน้นจะร้อยหอเอไปส่งกันทีหนึ่งผักไม้ก็ตัดตัดใส่รถไปก็ได้เพราะว่านักปฏิบัติทานยังไงก็ได้เอาผักทั้งหลายทั้งแก่ทั้งหนุ่มทำเป็นอะไรนะจับชายใส่หม้อโลใหญ่ๆเอาไปจับชายผักได้พริกผักก็ทั้งนี้ก็เป็นการบาเพ็ญตะบะพราะเราทางานกันมาทั้งปีก็ได้พักปฏิบัติ และผู้ที่จะพัฒนาตันเองเพื่อจะไปช่วยเหลือตัวเองให้มีความทุกข์ลดน้อยลงมีปัญหาลดน้อยลงจะก็จะทำเรื่องสุขภาพด้วยนะหมายถึงว่าออกกำลังกายเช้าตั้งแต่ตีสี่อันห้าโมงเนี่ยตื่นขึ้นมาตีสาปฏิบัติร่วมกันถึงตีสี่พอตี่ถึงทีห้าก็ออกกำลังกายร่วมกันที่ห้าถือหกโมงเช้าก็เดินจงกรมร่วมกันหกโมงเช้าถึงเจ็ดมงก็ อสอบอารมณ์แล้วก็เจ็ดโมงก็รับอาหารเชา้าจากนั้นก็แปดโมงถึงสิบเอ็ดมงก็ไปปฏิบัติร่วมกันอพอฉันอาหารสายเสร็จก็ไปปฏิบัติส่วนตัวถึงสี่โมงก็ถึงห้าโมงมาสอบอารมณ์หกโมงก็อาบดาอาบธาเจ็ดโมงเข้ามานั่งปรภาวนา าร่วมกันถึงนู่นน่ะสามทุ่มในช่วงแรกเนี่ยอยได้ปฏิบัติร่วมกันก่อนสักสิบวันพอช่วงหลังสิบวันไปแล้วใครที่จะปฏิบัติเข้มแข็งเลยจะให้ออกไปปฏิบัติแยกปฏิบัติเดี่ยวคนไหนไม่เข้มแข็งก็มานั่งปฏิบัติรวมกับเพื่อนเหมือนเดิมคนไหนยังไม่หานิวรณ์ไม่หายง่วงก็มานั่งปฏิบัติรวมกับเพื่อนคนไหนปฏิบัติแล้วไม่ง่วงแก้ไขปัญหาตัวเองได้จะให้ออกแยกไปปฏิบัติ เพราะนั้นก็จะมีวิธีการใช้เวลาให้คุ้มในการเข้าค่ายจะคงไม่ปล่อยไปนั่งไปเล่นไปนอนที่ใครที่มันเหมือนเมื่อก่อนอต้องดูเลือกคัดเลือกเป็นคนๆไปนะเพื่อให้เราได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะจะได้ออกมาทำงานได้จะเป็นผู้นำกรรมฐานได้เป็นผู้นำการสอนได้ไม่ใช่ ที่ทํากันมาอย่างเราแล้วนี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นเรื่องเป็นเล่านะโดยเฉพาะคอร์ดออกกําลังกายในคอร์ดของของพรวงพ่อที่ทำได้ปรากดระยะหยุ่ยมได้ผลดีมากร่างกายที่เคยเจ็บเคยป่วยเคยไข้เคยหนาวอะไรก็ดีขึ้นเราทํำกันจริงจังออกกําลังกายนะออกกาลังกายก็ทำสามชุดชุดใดการกระตุ้นเรือดลมแต่ชุดการ จัดกระดูกจัดร่างกายตัวเองแล้วก็ชุดลมปราณ น, นะก็ได้ผลนะทำสามชุดเนี่ยที่ทำมาปรากฏว่ายุงชอบมากร่านงะกายก็ดีขึ้นนะทำให้ปฏิบัติทั้งวันไม่เหนื่อยนะก็คิดว่าเราจะต้องเข้มแข็งทั้งร่างกายได้จิตใจนะปฏิบัติทำนะปฏิบัติไปแล้วเป็นโรคไข้ไข้เจ็บออดอ อ, อ, อแอ ด, แ อ, ดอะไรเนี่ยมันไม่สมกับนักปฏิบัตินักปฏิบัติต้องเข้มแข็ง เพราะเราจะต้องทํางานให้กับสังคมเราจะมาป่วยเนี่ยนะต้องรักษาตัวเองเป็นนะจะได้าหากว่าเรากินน้อยนอนน้อยแล้วก็ทํามากเนี่ยมันอาหารมันถูกใช้สอยหม ด, ดพอดีเพราะอาหารที่ทานมากแล้วถ้ามันใช้ไม่หมดมันทําลายตัวเองนะทำให้เราเจ็บป่วยเพราะคนวนใหญ่ที่เจ็บป่วยเพราะอาหารเพราะกินอาหารมากนะเพราะฉะนั้นก็เลยว่าในการเข้าค่ายเที่ยวนี้ก็คงจะมีการนะ มีการพัฒนาอย่างสำาหรับยูแซนดี Sandy นีเ่เขามีปัญหาเรื่องท้องเขาต้องกลับไปที่เขาเคยเป็นความเครียดลงกระเพาะทำให้เป็นโรคกระพกกยยเพาะโรคกดไระยื่ออะไรต่างๆเครียดพอเข้ามาปฏิบัติกับเราแล้วมันหายเครียดแต่ยังต้องไปรักษากับหมอนะแซนดี Sandy, when you go back to see your doctor after you อร์จะไม่ได้ด็อกเตอร์ stomach condition ไม่ดีอยู่คันคัมแยรร์อีกนะเพราะว our camp will be in one month retreats uh, when you go to Hong Kong about one week or two week and can heal up your stomach your stomach uh, got bad condition and come back again to j o meditation camp คใจมันเอาในคนนี้ ตั้งใจปฏิบัติดังนั้นเราอยากจะให้คนของเราี่มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจถ้าเราเป็นนักปฏิบัติอ่อนแอทั้งร่างกายจิตใจนี่ไม่ปฏิบัติดีกว่านะต้องเข้มแข็งร่างกายจิตใจเพราะาธรรมะมันเป็นยา<ม>ก็เลยพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติไม่ถูกมันก็เป็นยาเบื่อให้เราได้เจ็บได้ป่วยนะ ฉะนั้นก็อยากจะให้เราเข้มแข็งร่างกายจิตใจเป็นาพวิญมที่เข้ามาสู่ในวิธีการของพวกเราเนี่ยต้องพัฒนาทั้งสองด้านแต่ถ้าไม่พัฒนาไม่ดีขึ้นแสดงว่าเราไม่ตั้งใจทําไม่มีศรัทธาทำหรือทําไม่ถูกเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้นะฮะจกลงว่าเราไปทำหน้าที่ก็นอนทุกสามทุ่มตื่นมาก็ สามที่สี่มาทําวัดสวดมนต์ร่วมกันในค่ายอาจจะต้องใช้หนึ่งซื้อสวดมนต์ไหมใช่ใช่ช่วงช่วงแรกๆอย่างใช้่ช่วงแรกนะแล้วคงจะเอาเขาคงที่ปะกุลคงจะมีเยอะอยู่อะนะเใช่เป็นต้องไม่ต่อไปอะไรตกลงนะหนุ่ยถามเพื่อนเพื่อนรู้ว่าใครบ้างจะไปเข้าค่ายได้ถ้าไม่ไปเข้าค่ายก็ต้องเป็นฝ่ายส่งเสีเบียง อจะได้มีความก้าวหน้าไปหาเพื่อนอเพื่อนข้างหน้าได้ตกลงไม่มีอะไรไหมพ่อเต๋วหัดหัดข้องอะไรไหมสงสัยอะไรไหมพร้อมนะวันหลังก็ยายติ๋มไปช่วยครัวว่าคุณด้ว ย, ยนยายหนั่งก็บางกันถ้ากลับจากนู่นมาก็คงจะมาแวะช่วยควรัววนะ่าคุณหนึ่ง ยันนันแกอายุ80กว่าจะเข้าสิบตรงนี้แข็งแข็มแข็ ง, ขงแอคทีฟเหมือนเดิมเลยนะโอเคนะป้าเราไม่มีอะไรตงใส่เนาะบริการอะไครบพร้อมหมดเนาะขาดไหมเตรียมวัหมดพร้อมนะขาดอะไรก็รก็หาเอาที่นี่มีอยู่พวกผ้าอาผ้ า, า, ผ า, าน้ําผ้าอะไรพร้อมนะก็เที่ยวนี้ก็เลยให้ท่านเอฟท่านบอลแล้วก็ท่านอุดมหรือท่านลัก ดูแลวัดเพราะว่าท่านบอนไปได้เยอะกว่าเพื่อนละไปนู่นไป น, นี่มาเพื่อนยังไม่ได้ไปไหนเลยนะจะได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาตกลงนะอา้ากปลาปลาพร้อมกันไปใหลิแก่งนอนแล้ะ